ขอกราบพระนรัไตรขอถวายความเคารพไม่ยังพกรมเวรนาธานขอถวายความเคารพม่ยังเพื่อนจากธรรมิกที่เคารพทุกๆรูปเจริญพรมยังกุณชีแลว้วก็ญติธรรมนักบุญธรรมทุกท่นานเากนัง ทำท า, ายายสังเกตเห็นรู้สึกว่ามสะดวกสะดวกนั่งเรารู้สึกธรรมดาธรรมดาการปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็ไม่ได้มาไมีฟอร์มมันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเราเคยนั่งรู้สึกสะดวกสะดวกผ่อนคลายก็สังเกตเอา เดือดทำเี่ยจะปไกลนะแต่ใหม่ๆเรามักจะมีมโนภาพเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านเราว่าพยายามมีต้นแบบธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้เงี้ยมันก็ว่าฝันไว้ก่อนพอมาปฏิบัด มันจะเก่งๆเ ก, กๆเก๊กๆเพ่งๆจองๆมันจะไม่ป่อนกลายก็สังเกตเอาอดตมาเลยชอบพูดว่าผู้ใหม่ปฏิบัติผู้ใหม่คำว่าผู้ใหม่หมายถึงว่ายังจับสภาว่าของตัวสติตัวความรู้สึกยังไม่ชัดเจนนัก หรือยังจับไม่ได้เลย <Yeah. S 1> กระลมต้นจะเคลื่อนไหวรู้สึกพอทำไปทำไปมันจะมีอาการหนเกิดขึ้นมาก็คือเพ่งจี้จ้องคมหรือเรียกว่าเก็บกด <Yeah. S 1> เก็บกดอาการแรกเลยคือทำอะไรก็ตั้งใจทำจริงมันก็จะจมก็ไปในสิ่งที่ทำก่อนหน้า ที่จะจมเข้าไปเก็บกดมันจะเผลอนะปล่อยตามปล่อยคิดไปเรื่อยนะปรุงแต่งไปมากมายทั้งวันก็นเรียกว่ากรมมาสุขาลิการโยกไอตัวเก็บกดอัตตะกิลมัฐานโยกนะสองตัวเนี้ยแล้วไม่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือปอ้อมนเป่งเป่งเผลอ อีกตัวก็คือกบเกลื่อนตัวกบเกลื่อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากนกบเกลื่อนไปเช่นไม่พอใจก็ทำเป็นยิ้มไม่พอใจก็จแสดงออกตรงข้ามมากมายเหลือเกินทางกายวาจาใจหรือบางทีก็ บานมโนภาพัปบัดแล้วจะดีอย่างนั้นอย่างโน้นฟังเทปดีอย่างนั้นอย่างโน้นอาจารย์พูดดีอย่างนั้นอย่างโน้นมันจะเกิดขึ้นมาขับรถไปฟังเทปไปปฏิบัติไปก็ฟังเทปไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอาการกบเกลื่อนนะเหมือนเวลาเราทุก์อยู่ที่บ้านทุก์อยู่ที่ทำงาน เราก็จะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปช้อปปิ้งตาหูจมูกลิ้นกายให้มันสัมผัสรสชาติที่อร่อยเครียดแล้วกินจุกจิกยิงเครียดมากรถจัดมากเป็ดจัดชีจัดอย่างเนี้ย น, นะอันนี้คือการที่มันกบเกลื่อนเป็นตนข้ามไปก่อนแล้วก็กล่อมตัวเองด้วยในตัว มันกล่อมจะรู้สึกว่า ม, มันมันดีจังอย่างเงี้ยนะจนติดเหมือนกันกล่อมตัวเอนจนติดได้เจอมั้งหรือเปล่าเวลาปฏิบัติตามหรือบางทีเราปฏิบัติไปมันจะมีเสียงสวดมนต์ลอยมาบางทีก็มีลักษณะของคําพูดประโยคหนึ่งลอยมามีไหมโยมมีไหมเวลาปฏิบัตินั่นแหะคือการจิตมันกล่อม ามาเห็นโอ้มันมีอาการแบบนี้ด้วยบางทีก็เป็นภายในมันกล่อมตัวมันเองคือเป็นภายนอกมากล่อมเรามันจะรู้สึกดูดีมากเลยอะแต่มันก็ไม่ใช่จริงนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผิดแต่เป็นเส้นทางของการปฏิบัติพอเราเริ่มจับได้แล้วอ๋ออันนี้อาการเพ่ ง, จ, งจ้องจี้กดคมเก็บกดทุกห์นะอ๋อบางทีมันก็เผลอแวบไปเผลอไปหลงไป ไหลไปอย่างเงี้ยลืมเนื้อลืมตัวจําเป็นปรากฏการณ์ที่เราอ๋อทำมาปฏิบัติร่ำไปอย่างนี้นะมีอาการเผลอด้วยถ้าเก็บประเด็นตรงนี้ได้ก็เป็นตัวปัญญาแต่ถ้ามันไม่รู้ว่ามันรู้สึกตัวขณะคิดก็จะกลายเป็นหลงเผลอจมก็ไปเป็นอุปท า, านเป็นตันหาเกิดขึ้นมาพอใส่วาทูนหนึ่งสองสกลายเป็นกล่อมอีกเมันก็จะเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะเก็บกด กเกลือนกลอมพอทําไปทํามก็มีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คืออ๋อมันเกิดความคลายเกิดอาการคลายเกิดความเป็นกลางเกิดอาการกลางๆขึ้นมาเราจะเห็นได้โอ้มันยกธรรมดาธรรมดานี่เองหลวงพ่อเทยียนยังมีเทคนิคว่าอ๋อให้วางกายคลายคลายแล้ววางใจกลางกลางไม่เพ่งไม่จ้อง อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีรู้ให้เป็นปัจจุบันขณะรู้ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มันก็เลยเป็นเรื่องของเทคนิคปฏิบัติที่เราจะต้องใส่ใจทําไปเรื่อยๆปฏิบัติรมผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรทํามันอยู่นั้นแนหะจนสังเกตได้อ๋อมันมีอาการกลางๆธรรมดาธรรมดา ปฏิบัติธรรมธรรมะนี่มันคือธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้เรานั่งก็จึงเป็นธรรมดาธรรมดาของเรานี่เองนะมันจึงไม่ได้มีมากอะไรหรอกปฏิบัติธรรมมันมีตาอิสระภาพอิสระภาพกายก็เป็นธรรมชาติของมันเป็นอิสระภาพของมันมันจึงเกิดความยุติธรรมตรงนี้เองเรื่องของกายก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตมันแยกกันเลยจิตก็ไม่ต้องเบียดเบียนกาย กายก็ไม่ต้องเบียดเบียนจิตอย่างงี้ยนะต้องฝึกไว้นะเราก็ต้องใจใจนะสักนิดหนึ่งแยากกายกับเองสักหน่อยเวลาปฏิบัติธรรมนะสังเกตตะเกงตะเก่งตึงมันก็เป็นอาการอาการหนึ่งและสภาวะหนึ่งนะให้เราถอยไม่อีกถ้ามันเผลอลองคิดฟุ้งไปก็ให้เรากดกดลงมานิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ลังเกียจแต่หมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดี และมันไม่ได้คิดอะไรมากถึงคิดมันก็รู้ททนอย่างนี้นนะมันสบายมันจะเป็นตัวปีติเป็นตัวปฏิที่เป็นตัวสุขนะใจะราจะผ่านไปเรื่อยๆมันเกิดการปล่อยการวางไปเรื่อยๆนะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไม่เป็นเลยมันจึงมีคำว่าไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นมาก็ยอมรับสภาพทั้งหมดเลยแต่ละนาทีแต่ละวินาทีนะ ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นวันยอมรับหมดเลยอะไรก็ได้เกิดมามาเลยมาเลยไม่ใช่เป็นคําท้าทายแต่ขอให้มาเถอะสภาวะอาการต่างๆเตียมปรากฏนะเตรียมใจไว้ได้รู้เท่ารู้ทันเท่าที่มันรู้เท่ารู้ทันไดน้เมื่อสองวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเข้ามาเป็นโยมที่น่าเห็นใจทีเดียว ที่ได้เห็นใจเพราะว่าอายุไม่มากนะสามสิบต้นๆแล้วก็มีสามีสามีก็เก่งนะเคยปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละแนวเคลื่อนไหวแต่มาแค่ครัง้งสองครั้งสามีเสียชีวิตเป็นสถาปนิกใช่แล้วกำลังรุ่งเรืองเลยทำงานมีความสำเร็จสูง สามีเกิดตายแบบปั๊บปัจจุบันทันด่วนทำใจไม่ได้สามีก็ดีดีเลยสังเกตว่าโอ้รามีเพื่อนดีมีพ่อแม่ดีมีสามีดีเงี้ยพอตายจากกันไปก็ร้องไห้เสียใจในความดีเป็นความซาบซึ้งนะนะเห็นหมอนก็ร้องไห้เห็นที่นอนก็ร้องไห้เอาลูกมาดูดูแล้วก็ร้องไห้ มีแต่เรื่องดีๆ ด, ด, ดังนั้นแหละปากรดขึ้นมาลูกสาวต้องคอยปลอบลูกสาวอยู่ปปสามต้องคอยปลอบแม่พ่อเธออย่าดูเลยรูป อ, อ่ะพ่อเธอนะมันผ่านไปแล้วลูกสาวลูกสาวก็เคยฝึกสติเหมือนกันมาพร้อมกับแม่พอ่อชอบอุ้มมาในวัด น, นี้แหละเสร็จแล้วมันก็ติดไปโดยที่เด็กเขาก็บริสุทธิ์นะมันก็ไวหน่อยนึ คนโตผู้เป็นแม่ก็มีการเกี่ยวข้องกันเรียกว่าทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างฐานะถามก็ว่าเนี่ยตอนนี้สามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้ได้อีกสักกี่ปีตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่า20ปีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเงินที่หามาได้ใช้ได้อีก20ปีนะอัน่าคำนวณว่าปีสังปีละล้านะ ก็น่าจะสักเกินที่สิบล้านขึ้นไปตอนนี้มีเงินสดอยู่ <c oughs> แล้วก็ยังมีโครงการอยู่ที่จะพอจะเลี้ยงตัวเองได้สบายๆมีงานทำแต่ว่าจิตที่มันไปผูกพันไปแนบแน่นกับความดีของสามีมันไม่ลืมพอพูดถึงความดีก็ร้องไห้ทันทีพูดถึงความดีปั๊บก็ ท, ท, รบกทราบซึ้งทันที โอ้เลยเห็นเลยว่าคนดีเนี่ยเวลาตายจากกันหรือว่าเราทำดีเนี่ยอารมณ์ที่เป็นความภาคภาคูมิใจเป็นปีติเนี่ยมันก็เป็นผิดปกติเหมือนกันเพราะนั้นเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าความภาคภูมิใจเนี่ยบางทีมันก็ลอยมาในค่าของการปรุงแต่งความคิดที่เป็นอดีตดังนันเลยเห็นเลยว่าเราเองก็เคยเป็นอย่างผู้หญิงคนนี้ เ, นเคยผูกพันผูกนันรับตึง ของรักของหวงเกิดอาการห่วงใหยหิว โ, โหยห่วยหาบางทีก็เหี่ยวแห้งอ่อกลุ่มเหล่านี้นเป็นปัญหาของจิตของใจเราแต่พอเรามาฝึกรู้สึกตัวจิตปกติมันคนละตัวกันนะเราจับได้เลยว่าคนละตัวกันแน่นอนขณะที่สัมผัสรู้สึกตัวนี้มันเป็นตัวที่มันธรรมดาเป็นธรรมชาติที่ปัจจุบันมันผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะกายเคลื่อนไหว แต่พอมันไม่มีตัวนี้ปั๊บความเป็นกลางที่รู้สึกตัวที่ฐานกายอยู่น่นนะไม่มีความเป็นกลางรู้สึกตัวที่ฐานกายเราจะเห็นเลยว่ามันก็ไม่มีความเป็นกลางกับความคิดการปุงการแต่งเหมือนกันเพราะนั้นเวลาคิดมันจึงไม่รู้ทันใหม่ๆมันจึงกระโดดไปกระโดดมาพอเราารู้สึกที่ฐานกายมันก็กระโดดจากการอยู่กับความคิดมาอยู่กับฐานกาย เสแล้วพอไม่อยู่กับฐานกายมันก็กระโดดไปหาความคิดอีกกระโดดไปกระโดดมานะถ้าไปแช่อยู่กับตัวใดตัวหนึง่งเช่นคิดดีไปแช่อยู่มีสมาธิอาการคิดนะปุตุชนคนทั่วไปมันจะมีตัวนี้นะมีสมาธิไปแช่อยู่กับความคิดอันนี้คือกระบวนการสัมปทา่นั่นเองตัวนี้จะเกิดความดีความงามขึ้นมาเกิดจรยธรรมว่านธรรมเกิดศีลธรรมขึ้นมา เกิดประเพณีนิยมสังคมนิยมขึ้นมาแต่อีกตัวหนึ่งก็คือพอเรามาอยู่กับฐานกายรู้สึกอยู่กับฐานกายจมแช่อยู่มันกลายเป็นตัวสมถะเหมือนกันจิตออกจากความคิดเวลามาอยู่กับฐานกายปับ๊บมันก็จะเป็นตัวปีติเป็นตัวปัจติตัวปีติคืออะไรตัวปีติคืออิ่มใจซาบซ่าน ตัวเบากดลุกขนพลอมบางทีก็ยิบยๆๆ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บางทีก็น้ำตาซึมมันมองอะไรแล้วมองแล้วมันอยากจะให้อย่างเงี้ยมันเป็นบุญเกิดขึ้นมาเป็นโทนพิติบางทีก็เงียบสงบเลยบางทีมันก็มีอาการนิ่งสบายอย่างเงี้ยเป็นตัวปัจจิ มีอาการที่ซาบซ่านเล็กๆเป็นพิติล้ะก็ปัสสิตินิ่งๆกลายเป็นความสุขใดเลยปฏิบัติธรรมก็คือโทนของสมถกรรมฐานนั่นเองอันนี้ไม่ถือว่าผิดถือว่าเป็นอารมณ์ปฏิบัติปฏิบัติวิธีก า, การใดก็ตามเมืกอจะผ่านล่องรอยแบบนี้และจิตเป็นโทนบนุญโท น, โทนโกนุศลเกิดขึ้นมามีความฉลาดเกิดขึ้นมา เราจะเห็นร่องรอยของอาการเหล่านี้แหละจนกระทั่งมันเกิดความฉลาดเกิดการผ่านพอมันฉลาดมันจะเดินผ่านดันดีเลยจิตเดินผ่านเป็นยังไงก็คือไม่แตะซ้ายแตะขวามันไม่ใช่การมาสุขาหรืการนุโยคนกหรือไม่ใช่อัตตากิริมถานุโยกแต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเนี้ยมันเมื่อกี้ที่เราสวดกันเนี่ยธรรมจักรกระปาะวารสูตรมันเป็นอ บทสวดบทสอนบทแรกขององคสมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นบทแรกของธรรมทั้งปวงเลยขยายผลมาจากบทธรมมจักกัพราสูตรไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะเป็นอ น, นันตารัตนสูตรหรือว่าสูตรต่างๆอีกมากมายเหลือเกินในพระศาสนาก็เกิดมาจากธรรมจักกะพราสูตรทางสุดต่งทางตั น, นกับทางผ่าน ทางสุดต่็คือการ ม, มาสุขายกายโยกมันก็โอ้โหไปไหนก็ไม่รู้แล้วคนหลงโลกหลืมเนื้อลืมตัวอีกอันคืออัตตะกิริมฐานโยกมันเป็นทางตันตีบตันมากหาทางออกไม่เจอจนใจประเภทนีจนเงินไม่มีข้าวกินแตจนใจมันค่าตัวตายมันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเครียดกังวลความรักเป็นความร้าย ถ้าไปเกิดปัญหาต่างๆทะเลาะบบาแว้งน่ะมากมายแล้วเกินทั้งผ่านก็คือทางสายกลางถ้าเรารู้สึกตัวดีๆเนี่ยโอ้มันผ่านตลอดนะทุกอารมณ์เลยแหละ ว, วิธีการแบบเนี้ยมันมันทําให้แก่ลงตัวเองได้ง่ายไม่ต้องให้คนอื่นแก่พอเราเกลื่อนมือมีความเป็นกลางมีความง่วงก็ผ่านความง่วงเลยสังเกตได้ไหม มีความเจ็บความปวดความเมื่อยเนะ่ยมันเล็กน้อยมากเลยนะมันไม่มีผลนั่นเลยเลยนั่งปวดอยู่เนะี่ยพอเรามีความรู้สึกตัวอยู่เป็นคู่ น, ะน้ำหนักปอควาดปอเบี่ยงกั้นปวดก็คือเรื่องของปวดเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกเลยเจอไหมตัวเนี้ย น, น่าจะเจอนะวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เราทําได้นะไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้มันเป็นสัจจะความจริงนะ ที่เราเฝ้าดูแล้วเฝ้าดูอีกเนะี่ยมันก็จะเห็นความจริงนะปรากฏขึ้นมาพอเห็นความจริงนะ่จิตก็จะเกิดพลังขึ้นมาตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้มันเห็นจริงๆเป็นสิ่งที่ปรากฏขณะต่อขณะเดี๋ยวนี้ก็าตามมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนพอมันเกิดความเป็นกลางแล้วนั้นนะมันจะเห็นตามความเป็นจริงของอาการต่างๆเป็นสภาวะธรรม มันไม่ใช่เป็นกุศลมันไม่ใช่เป็นอกุศลมันจะไม่ได้เอาอาการมาเป็นความพอใจหรือไม่พอใจมันจะเป็นสภาวะธรรมที่ถูกรู้ถูกเห็นจนกระทั่งเหมือนกับว่าต้องขอบคุณก็ว่ามันต้องขอบคุณก็เลยมันเป็นสภาวะที่เมื่อวานหลวงพ่อมเขียนนั้นพูดว่ามีทุกถึงมีความไม่ทุกและมีคำหนึ่ง ไม่ทราบว่าจำกันได้ไหมแต่มาบอกอคำ น, นี้ใช้ได้เลยได้ยินมาหลายครั้งแล้วแต่มา่วันท่านพูดซ้ำอีกครั้งคือทุกๆสภาวะเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่คือของเสียใช่ไหมของเสียถายขับออกมาแล้วจากร่างกายแต่พอไปลดต้นไม้ปั๊บต้นไม้งอกงามขึ้นมาปุ๋ยกลายเป็นประโยชน์ แต่ถ้านะเรามองว่าเป็นอุจจาระอย่างเงี้ยกลายเป็นโทษแต่ถ้าเรามองว่าเป็นอาจาระมันจะเป็นครูสอนเราทันทีเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่กลับมาสอนตัวเราได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการคิดการปรุงกันแต่งยิ่งคิดยิ่งรู้นะตัวนี้เป็นประโยชน์มากเลยจึงอย่าห้ามความคิดนะคิดก็ไม่เป็นไรอย่างงี้นนะก็เลยบอกให้ กับผู้หญิงนะที่สองวันก่อนเข้ามานะว่าตอนนี้นะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเสียอกเสียใจบ่อยๆพอนึกถึงก็ร้องไห้นะน้ําตาซึมไม่ดีเลยหนึ่งก็คือคุณจะมีสามีใหม่นะวัยที่สุดเลยคุณบอกว่าคุณรักเขาแล้วคุณร้องไห้อย่างงี้นะไออารมณ์นี้จะผลักให้คุณนะมีผู้ชายคนใหม่เร็วที่สุดเลยเพราะมีคนมาปลอบคุณ มีคนมาดูแลคุณแต่เดี๋ยวคุณก็คลายเพราะมีอารมณ์ใหม่จากคนใหม่เกิดขึ้นมาอารมณ์เก่าหายไปแต่อารมณ์ใหม่ที่เป็นโปกติเนื่องจากคนอื่นได้มาปลอบคุณเนะ่ยไอ้ตรงนี้แหละทําให้คุณเนะีเกิดอาการใกล้ชิดแล้วก็ท้ายสุดก็คือลืมคนเก่าเคยมีประสบการณ์ตรงนะมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาที่วัดป่าสุโกโตแล้วก็เสีย อ, อกเสียใจส า, ม, ามีเป็นครูเพิ่งเสียชีวิตไป เสร็ล้ไม่เคยปฏิบัติทมเจริญสติวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ไม่เคยทีนี้ก็ฟูมฝ่ายร้องไห้นะเป็นนี่เป็นศิล์นะอยากจะให้สามีนายอยู่ช่วยกันใ ช, นช้นี่ใช้ศิลน่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เสีย อ, อกเสียใจเสียดายไม่น่าตายเร็วไม่นานหรอกประมาณอีกสักประมาณ2เดือนครูคนนี้ได้ควงครูใหญ่ปอ อ, อมาแล้วก็บอกเนี่ยแฟนใหม่หนูแก โอ้ทำไมมันเร็วขนาดนั้นล่ะโย ม, มเสียใจจะเป็นจะตายฟูมไฟแล้วอีก2เดือนต่อมานะ่ยจวงครูใหญ่มาบอกเนี่ยแป็นใหม่หนูค่อามาก็โอ้เนาะถ้าสามีเขาสัมผัสได้นะก็จะโอ้เสียใจขนาดไหนน้ออะไรเงี้นนะคิดแทนสามีเา้ามันจะขนาดไหนน้อไม่น่าเนาะคนเนี่ยทาเป็นเสียอกเสียใจนะ บางคนเนี่ยทาท่าทางแบบจะกระโดดกองไฟก็มีนะอฉันจะตายเพื่อนดึงไว้ทําที่แสดงหนังสมบทบาทพอก็จริงไนงะเดี๋ยวก็มีผัวใหม่จอยเพราะนั้นโยมเวลาสามีตายจยไปแสดงจนผิดสังเกตนะเสียใจผิดปกติเงนะี้ยโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอันนี้เปรียบเทียบไปฟังอาการต่างๆเหมือนกันไม่ใช่แหมเพราะอารมณ์ ได้อารมณ์ปฏิบัตนะิมีความสุขการปฏิบัติเบาเนืเบาตัวปิตินะมีอาการไฝ่บวกชอบจังนะอันนี้คิดดีอชอบจังอย่างนีนะ้เกิดบุญขึ้นมาอยากทํานั่นทนํานี่ทำโน่นอยากสร้างกุฏิสร้างศาลานะอยากช่วยเหลือวัดบางอย่ามีไหมอาตมานี่มีสูงในอารมณ์พวกนี้บางทีก็อยากที่จะบวชชีโดยเฉพาะผู้หญิงเงนะที่มาปฏิบัติรทมนะโอวัดอากาศดีอย่างนี้ย มันชวนตลอดเปิดเปิงไปอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมใครมียกมือเยอลยอารมณ์แบบเนี้ใครมียกมือลองยกเนี่ยไม่ได้ว่าถูกไม่ได้ว่าผิดนะ้ำฐานเฉยอมีอยู่บางเนี่ยเพราะนั้นสภาวะอาการเ่าเนั้นเป็นเพียงแค่อาการมันไม่ได้หมายถึงว่าถูกหรือผิดแต่หมายถึงว่ามันเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงที่เราจะต้องรู้ละผ่านรู้ละผ่านแต่ถ้าใหม่ใหมมันยังผ่านด้วยปัญญาไม่ได้ ให้สกเกตไห้เดีย <c oughs> มั น, นีจะมีสภาวะของพระไตรลักษ์แสดงอยู่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็หายไปเองแต่ว่าปัญญาเราจะไม่รู้นะว่ามันมาอย่างไรและหายไปอย่างไรอันนี้ให้เผื่อใจไว้ได้เลยทุกครั้งที่กำลังมีอาการอะไรปรากฏขึ้นมาเผื่อใจไว้ได้เลยว่ามันไม่แน่บอกเลยให้ไม่แน่หรอกมาเองเดี๋ยวก็ไปเองเหรอแต่มายัาง ไ, ไงไปยังไงยังไม่ต้องไปสนใจมันให้ กลับมารู้สึกตัวเคลื่อนไหวให้มากๆเคลื่อนไหวให้มากๆอีกตัวหนึ่งเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีตัวเคลื่อนไหวหสมผัารู้สึกกาอาการมันมีอาการเกิดขึ้นมาแต่เรายังรู้สึกตัวอยู่เปรียบเหมือนกับว่าเรากําลังรู้สึกตัวคือการทอดไข่อันนี้เปรียบเทียบไปฟังเราทอดไข่อยู่เซลแมนก็ามาก็คือความคิดมาหรืออารมณ์เกิดขึ้นมาความเจ็บความปวดอะไรก็ตาม เซลแมนเข้ามาขายของเราก็ไม่ทิ้งกระทะทอดไข่เราก็ยังรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวเซลเซลเซลแมนเข้ามาเขาจะไปของเขาเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราดีเราจะได้รู้ว่ากรรมฐานที่ฐานกายเนี่ยเราเริ่มที่จะมีกําลังแล้วต่อมาก็คือเราไม่ติดการทอดไข่รู้จักวางกระทะหลังจากที่ทอดไข่เสร็จแล้วก็นั่งกินอาหารอยู่อย่างนี้ เราได้ผลจากการทอดไข่เรามีผลจากการที่รู้สึกตัวเราเริ่มเสวยผลและของความรู้สึกตัวก็คือเริ่มอร่อยกับการปฏิบัติสังเกตได้ไหมว่ามันเริ่มอร่อยก็คือมันจะอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเดินมามนจะไม่สนใจอ่ะนะมันจะคล้ายๆว่ารู้ละโจนปนสติมันมาแล้วมันจะคล้ายๆกับค่อยๆรักษาตัวรอดได้อาการตรงนี้เพื่อนอาจจะคุยแต่เราไม่คุยเพื่อนอาจจะ มันจะดงให้เราหลงแต่เราก็ไม่หลงอย่างเราก็รู้สึกตัวที่ฐานกายเราอยู่สมบรวมอินทรีย์อย่างเงี้ยไม่ดูได้เราก็ไม่ดูไม่ฟังได้เราก็ไม่ฟังไม่พูดได้เราก็ไม่พูดไม่ปล่อยจิตออกมีแต่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ในสิ่งเรากําลังทําก็คือกรรมฐานนะนะรู้นะไม่ใช่อยู่นะรู้สึกก็คือรู้เป็นปดเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยนะรู้เป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยรู้เป็นครั้งเป็นขนาเป็นขนาแบบนี้ มันไม่ใช่รู้แบบนี้นะไม่ใช่รู้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นเล็กเส้นไม่ใช่แต่รู้เป็นปอบปอเราก็เริ่มจับได้รเราออมมารุนปอๆปอมันจะเริ่มมีผลแล้วมันจะสบายทําได้เรื่อยๆรรู้สึกตื่นตื่นตื่นรู้ดิเมื่อก่อนมคนเคตื่นตนกตกใจตื่นบนกิเลสอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันตื่นทุกมันเห็นอาการอะไรขึ้นมาแล้วตื่น มันรู้สึกว่าเออมันไม่เข้าไปในอาการเหล่านั้นอย่างเงี้ยตาเห็นก็ไม่เข้าไปในอาการของตาหูได้ยินก็ไม่เข้าอาการของหูเสียงที่มากระทบอ่ะนะเวลาคิดปรุงมันก็รู้ทันเออมันไม่เข้าไปในการปรุงแต่งอย่างเงี้ยรือเวลารู้สึกตัวมันไม่เข้าไปในความรู้สึกตัวมันดูดูอยู่จนกระทั่งมันพัฒนาไปเรื่อยๆเน่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่ผิดอาการอะไรเกิดขึ้นมา ให้มันเกิดขึ้นมาหรือปล่อยไปเลยเปิดตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เปิดเผยตัวเองขึ้นมาเปิดตัวเองเลยอะไรเกิดขึ้นมาได้หมดใหม่ๆจิตสํานึกนะมันจะเกิดขึ้นมาเพราะเราทําไม่ดีมายเยอะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีมันก็จะมาในค่าของปุงแต่งปัจจุบันเนี่ยเป็น ล, ลึกเอาอาดีตขึ้นมาแลนะมันก็ ว, า, วาดฝันวารีมนันอนาคตเราจะไม่ทําอีกนะอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียความเป็นปัจจุบันไป ไม่ใช่ความปกติสุขที่จะเป็นจริงในปัจจุบันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอารมณ์ปฏิบัติที่จะต้องเจอกันทุกคนนะไม่ถือว่าแปลกมันจึงเป็นประสบการณ์ในทุกๆบทในทุกๆอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาอารมณ์รูปนามปรากฏเราก็รู้แล้วอารมณ์รูปนามอารมณ์นามรูปคิดปรุงแต่งปรากฏเป็นมโนภาพต่างๆเราก็รู้แล้วอันนี้เป็นอารมณ์นามรูปอย่างเงี้ยอันนี้สติมันเด่นขึ้นมาความเป็นปกตินะ มันไม่ใช่อาการของกายไม่ใช่อาการของจิตมันเป็นตัวสติที่เด่นขึ้นมาอย่างี้เราก็รู้แล้วอ๋อไอ้ตัวนี้นเป็นเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของวัญญาขันมันเริ่มขโมดมันเริ่มรวมตัวกันมันก็จะแสดงออกมาจริงๆมันก็เป็นอาการของจิตแต่พยายามพูดแยกอาการของจิตก็คือตัวคิดแต่สิ่งที่เราผลิตขึ้นมานี่คือสภาพของธรรม ทำดิมปรากดดิมแสดงออกมาภายในอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้จักฟังรู้เรื่องไหมพูดอย่างเงี้ยฟังรู้เรื่องไหมโยมมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมวันนี้ถือว่าเป็นวันก่อนกลับของกลุ่มปฏิบัติกลมศุลกาการ ก, กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะกเกรปพูดถึงเรื่องเทคนิคปฏิบัติเลยให้นะเล็กๆน้อยฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรผ่านไปเลยกันแล้วกัน ขออย่างเดียวว่าให้มีการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเข้าไว้ตรงนี้เพราะจะเป็นสุดสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งจริงๆหลวงพ่อเขีย น, นซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมายังมีชีวิตอยู่จริงนะท่านมีประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติธรรมหนะลวงปู่เตียนเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านยกมือ14จังหวัเนี่ยเป็นเวลาอยู่21วัน 21วันในส0วันสุดท้ายท่านตั้งใจที่จะยกมืออย่างเดียวเลยเคลื่อนไหวอย่างเดียวเลยจนทั้งธรรมชาติภายในมันทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้มันก็เปิดเผยตัวเองออกมาให้เราได้พบได้เห็นอย่างนี้นะหลวงพ่อขมขียนเลยไ ด, ได้ใช้เวลาตั้งแต่วันแรกที่มาวัดที่พุทธคยาจังหวัดเลยนะจนทั้งวันที่จับสภาวะของรูปนาม ชัดเจนเป็นเวลายี่วันแล้วหลังจากนั้นก็บวชบวชพระหลังจากที่อยู่วัดพระใช้งานใช้ขึ้นมาขามป้อมใชใ้ไปซื้อของถ้าเห็นว่าขนาดเราเป็นโยมเราเปฏิบัติ14ชงว่ายังรู้ได้ขนาดเนี้ยนะถ้าบวชมันจะไปสักขนาดไหนแล้วท่านก็นใช้เป็นเวลาสองปีกับประมาณ 8-9 เเดือนจบกิจ มันสุดการแสวงหามันหยุดการแสวงหาทั้งครูบาจารย์และรูปแบบปฏิบัตนะิตอนนั้นด้านเป็น้นมาท้านบอกว่าคิจอื่นที่จะทำไม่มีกแล้วจบจบจริงจริงเรียนกับหลวงพ่อเรียนมันสุดมันสุดมันสุดมันสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราเรียนต้องเรียนให้จบนะมันมีอนุบาลก็คือมีสติเห็นกายมันมีปฐมก็คือมีสติเห็นเวทนา มันมีมัธยมก็คือมีสตเิเห็นอาการของจิตมันเป็นระดับมัธยมระดับอุดม์ศึกษาคือมีสติเห็นธรรมชาติาต่างๆตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมันก็จบเป็นเหมือนกันไท้ายสุดก็คือเขาใช้ชีวิตนะเรียกว่าแจกของสองตะเกียงเงินแบ่งทประโยชน์กับคนทั้งโลกไปมาหลวงพ่อคำเขียนะครูบาอาจารย์ของเราก็โชคดีเมื่อวันเราได้ฟังเทศฟังธรรม ก็ไม่ทราบว่าฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่าแต่มาฟังนี่ยทราบซึ้งนะในคําพูดของท่านอย่างมากนะเอาละเห็นว่าคําพูดใช้ไปก็สมควรแก่เวลานะก็ขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายนั้นการมารวมตัวปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นเพื่อการทําที่สุดแห่งกังทุกนะให้จิตใจของเรามีแต่ความเป็นโพติสุข ในนิพพานโดยทั่วนาะการทุกต้นทุกคนนั้นเถิน